สิกขาบทวิพังสามร้อยหาสิบสี่คำว่าอันหนึ่งใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอันหนึ่งใดคำว่าภิกษุมีอธิบายว่าชื่อว่าภิกษุเพราะเป็นผู้ขอนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาว่าภิกษุในความหมายนี้ที่ชื่อว่าไม่เป็นไข้คือภิกษุผู้เว้นจากไฟก็มีความผาสุกที่ชื่อว่าเป็นไข้คือภิกษุผู้เว้นจากไฟ จะไม่มีความผาสุกคาว่าต้องการผิงไฟคือต้องการให้ร่างกายอบอุ่นที่ชื่อว่าไฟพระภูมิพระภาคตรัสหมายถึงอักขีคําว่าก่อคือภิกษุก่อเองต้องอบัติปาจิตตีคําว่าใช้ให้ก่อคือภิกษุสั่งผู้อื่นต้องอบัติปาจิตตีภิกษุรับคําสั่งครั้งเดียวแต่ก่อไฟหลายครั้งภิกษุผู้สั่งต้องอบัติปาจิตตี คำว่าเว้นไว้แต่มีเหตุผลเช่นนั้นคือยกไว้แต่มีเหตุผลที่สมควร